พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธนานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อละเอียดวันนี้เป็นวันที่28 ตุลาคมพุทธศักราช2556วานกฐินวัดของเราวัดป่านาคำน้อยของเรารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนอุดหนาฟ้าขั้งถ้าหากว่าฝนตกคงจะพอไหวมวานพวกคนมาก ถ้าหาวาคนเข้ามานั่งศาลานอกทั้งหมดหลวงพ่อมองมองดูแล้วคงจะไม่มีที่นั่งเหมือนกันถ้าหากว่าอยู่ที่ศาลาในาของเราไม่ต้องพูดถึงนเต็มไปหมดก็เมื่อวานงานกระถินของพวกเราก็รู้สึกว่าไปได้ดีราบรื่นโรงทานทั้งหมดร้อยกว่าโรงที่มาเลี้ยง ผีน้องลูกหลานจะถูกปัจจัยที่ถวายองค์กระถินก็เพื่อนสร้างสล า, ราสร้างอะไรที่เราเก็บปฏิบัติต่อยังไม่เสร็จคงจะเอามาใช้ในงานการก่อสร้างแล้วก็คงจากนั้นก็คงจะให้วัดสาขาวัดสาขาก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้ ไม่ใช่มีแต่เราแล้วก็คงจะหยุดไม่ใช่แล้วก็สาธารณะประโยชน์อีกสรุปแล้วก็คือเงินผ่านวัดเงินผ่านเศรษฐีเงินผ่านไม่ใช่กักตุนเงินผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปออกไปนี่แหละสาธารณะประโยชน์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น ่เมื่อประชุมวันที่25ที่ผ่านมาก็จะได้จ่ายงวดสุดท้ายของอาคารตึกหนีไฟประมาณ2ล้านกว่าแต่ว่าปัจจัยจำนวนนั้นก็ไม่มีปัญหาเกีว่าเพียงพอแล้วก็จะมีชั้นล่างอีกลงไปดูชั้นล่างประมาณสักสูงประมาณสัก2ประมาณสักเมตรหรือ2เมตรเนี่ย แต่จะเอารถตู้เข้าไปก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นรถเก๋งจอดได้อยู่แต่วพวกเราเลยปรึกษากับทั้งผ อ, อทั้งคณะกรรมการด้วยว่าชั้นล่างเนี่ยถ้าจอดรถตู้ก็จอดไม่ได้ให้คนพักดีไหมเพราะว่าคนไปเยี่ยมไข้โรงพยาบาลสูงอุดรบางทีก็ไปนอนในฟุตบาทตามตึกต่างๆ เห็นแล้วก็เวลาฝนตกมากันหนาอ ด, อดสูดูไาย เ, เมืองเราก็ไม่ใช่เป็นเมืองติดจะยากจนถึงขนาดนั้นตามไม่จริงก็ไม่น่าจะเป็นแต่มันก็เป็นป เ, เพราะเหตุไรเพราะดูแลกันไม่ทั่วถึงตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนอนตามฟุตบาทกลางวันก็นอนเอดเลดอาลาดดูแลแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เสนอทาง โรงพยาบาลเทียอ้อนจะเนอก่อนเพื่อนหลวงพ่ออึงเอาก็ได้เห็นด้วยก็คงจะก่อเป็นฝาผนังขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็คงจะใส่มุ้งรวดแล้วก็คงจะปูกระเบื้องให้เขาได้พักพอนุพวกที่ไปเยี่ยมใครแต่บรรจุคนคงจะเป็นร้อยกว่าอยู่มั้งคงจะกวางนะเข้าไป พักที่นั่นก็ได้แล้วก็คงจะทำห้องน้ำห้องส้วมให้เขานี่แหละสรุปแล้วก็คือจะตุ ป, ปั จ, จที่เราได้มาก็บแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังถ้ามันไม่พอกือเอาช่วยๆกันนี่ปัจจัยสี่เราจะไปคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่อีกส่วนหนึ่งกันงานของหลวงปู่ํา อยู่ในบ่าของหลวงพ่อเหมือนกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในจุดนั้นทามันเพียงพำไม่เพียงพอวัดของเราจะนี้ออกเหรอมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มใส่จุดนั้นอีกเพราะว่าเป็นวัดหลวงอามันต้องเฉลือเผื่อแผ่กันเงนินไม่ใช่เงินเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระพุทธทเจ้า ใช้ใครใช้ในโคงการพระพุทธศาสนาอย่าไปใช้ออกนอกดูนอกทางสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อพระพุทธศาสนามีความจำเป็นไงต้องได้ใช้ในี่แหละงานหนักๆถ้านักกว่านั้นไปอีกก็คือถ้ามือลงมือสร้างเจดีย์เมื่อไหร่ที่หลวงพ่อรับปากไว้50ล้านอันนี้ก็คงจะไหลทะลักเข้าไปจุดนั้นอีกเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองไม่เคยหนักใจที่พูดให้คณะสัทยาญาติโยมผระเน้นลูกหลานฟังหลวงพ่อไม่เคยหนักใจกับเรื่องปัจจัยเป็นไปได้ถ้าหากว่าหลวงพ่อคิดว่าเป็นไปไม่ได้จะทําให้เดือดคนอื่นเดือดร้อนลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนผู้ที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนหลวงพ่อจะเป็นอาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายได้ยังไงเพราะความคิดไม่รอบครอบ หลวงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นจึงได้ประกาศมั่นใจเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนแต่เงินบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินขายยาบ้ายามา ก, กแล้วกันอันนั้นเป็นปฏิปักษ์กับหลวงพ่ออย่างไรแรงเงินที่เงินไม่บริสุทธิ์เงินต้องบริสุทธิ์ได้มาโดยเป็นธรรมได้มาโดยความบ ร, ริจาคบริจาคมาแล้วก็เก็บรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ รู้จักแบ่งรู้จักปล่อยเหมือนกับเรากักตุนน้ำอย่างนั้นเราไม่ใช่จะเก็บไว้ตลอดไปไม่ใช่เราจะต้องปล่อยแต่รู้จักเก็บกับกกั้นไว้เพื่อได้ใช้ใช้อะไรใช้ปั่นไฟฟ้าถ้ามีความจําเป็นเอาปัน่นปล่อยลงไปเพื่อใช้ไรนาสวนน้านนปปาเอาไปใช้อะไรแต่ต้องเกิดประโยชน์ในการใช้ แต่รู้จักเก็บนี่แหละนี่หลวงพ่อ เ, เองก็ดูความมั่นใจในการบริหารจัดการในสิ่งเหล่านี้เพราะท่านหลวงพ่อเองอได้ออกปากหรือว่าบอกกล่าวเรื่องอะไรออกไปหลวงพ่อดูแล้วมองดูแล้วเป็นไปได้ไม่ได้หนักใจไม่ได้หนักใจกับสิ่งปัจจัยสี่เหล่านี้ แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อวงการต่อพระพุทธศาสนานี่แหละเรื่องปัจจัย4ต่ถ้าว่าใครเอาไปใช้ลุยชุยแชกนะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อศาสนาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อให้อนุมัติให้แต่ถ้าว่าเอาไปใช้แบบ เที่ยวเที่ยวเตวเตะสร้างอะไรก็ตามสร้างไม่มีเหตุไม่มีผลลุยอุยชุยแชกอยู่เพียงองค์เดียวกุติซาลาบเลบลลาปลาดทามันมีตัวเองก็ไม่ว่ากันใครจะสร้างอะไรก็สร้างแต่จะให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยมาแผลมาขอกับเราเรานี่ยเรามองดูแล้วไม่จําเป็นเพราะคนคนเดียวทําไมจึงไปทําอย่างนั้นมันโง่จะไปเสริมความโลภให้กับคน มันเสริมไม่ขึ้นถ้าตัวเองมีแล้วไม่เป็นไรทําได้จะทําอะไรก็ทําได้ได้เงินมาแล้วจะอบจุดฟไฟเผาไฟทิ้งก็ได้เอาราบเอาลบไปทําอะไรก็ได้แต่จะไปขอคนอื่นอันนั้นอย่ า, าต้องคิดดูให้ดีเราให้แต่เฉพาะคนที่จําเป็นสําคัญจําเป็นที่ต้องได้ใช้อันนั้นเราจะทุ่มเทให้หมดตัวสุดตัว เราจะให้แบงให้เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่ได้เรื่องมีแต่เอาไปใช้เสริมบา ร, รมีขี้หมาของตนเองไปเสริมทำไมเสริมกิเลสไม่ใช่เหลืมบา ร, รมีสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้คิดก่อนที่จะใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาก่อนที่เขาจะทำบุญเห็นไหมเขาไม่ใช่ว่า ตก จ, จากกระเป๋าแล้วก็ใช้เท้าเขี่ยให้ไม่ใช่นะ อ, ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็จบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกปาถนาแล้วปาถนาอีก เ, อเงินของเขาบางคนเป็นเหรียญมาก็ยังจบแล้วจบอีกตัวคนมีขึ้นมากับเป็นร้อยเป็นพันกันจบตัวเองจบแล้วก็ยังให้แม่บ้านจบให้ลูกจบให้หลานจบจบใส่หัวปางตั้งความปาถนา เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมองเราจะใช้เงินเขาทุกบาททุกสตางค์เราต้องมองต้องคิดให้ดีมันคุ้มค่าไหมในการใช้ปัจปจุปจัยไมีใช่ว่าเราจะไปใช้หล่องเหนือล่องใต้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลไปเรื่อยเปื่อยอันนั้นมันใคล้เข้าเดินเข้าไปหานรกชัดชัดเดินเข้าไปหามอนรก เพราะการใช้จะปัจจัยสีโดยไม่เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นพระเขาถวายมาแล้วจบมาแล้วใส่หัวมาแล้วเึดเทิดทูลบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วเราผู้ได้รับจตุ ป, ปัจจัยเหล่านั้นเราต้องคิดซะก่อนออมีเหตุมีผลอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมากน้อยแค่ไหนสมควรจะจ่ายไหมไมสมควรจ่าย สิ่งเหล่านี้พูดที่ได้รับมาต้องคิดออไม่ใช่ว่าเราจะทําสุมสี่ซุมห้านะคณะสัต ย, ยาญาติโยมหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นน่ะเอเขาจึงว่าหลวงพ่อหลวงพ่อละเอียดเขาว่างั้นเขาให้เอนามของหลวงพ่อหลวงพ่อละเอียดเขาว่านั้เราบางครั้งเราก็ละเอียดจริงเอแต่บางครั้งบางหมู่บางเพื่อนเขาว่าหลวงพ่ออินขี้เหนียวเขก็พูดเต็มปากเต็มคําไม่ได้ อหมู่พวกเพื่อนเขาว่าหลวงพ่ออินขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งบันปันใครเขาก็พูดอย่างนั้นไมดเพราะวางบางค้างนี่ยไม่มีใครให้หลวงพ่อให้เลยอ่ามันเกิดความจําเป็นโอ้มีความจําเป็นแล้วหลวงพ่อเขาเนี่เออเอาเท่าไหร่เอีกี่แสนให้ไปเลยอแต่หลวงพ่อไม่ห่วงอแต่ว่าเอาไปใช้ขอไปใช้ลุยช่ยแชรไปขอนั่นขอนะอย่ามายุ่งนะมันมาหายุ่งอะไร เออมันเอาไปใช้อะไรดูดูแล้วมันไม่ไจำเป็นถึงขนาดนั้นพ่ออยู่ก็อยู่ไปสิเป็นพระเราเคยทุกข์เคยยากมาพอแรงแล้วอันนี้จนะปรับเข้ามาจะทําท่าอวดเศรษฐีอย่างนั้นเหรอนางโง่หลวงพ่อด่าอีกต่างหากนะไม่รู้จักประมาณตนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้ใดก็ตามเป็นลูกชิดหลวงพ่อ ก่อนที่จะมาพูดอะไรหลวงพ่อต้องคิดดูให้ดีก็แล้วกันมาขอสุ่มสี่สมห้าไม่ได้เดี๋ยวไล่ออกจากวัดอีกต่างหากเพลเพยยังดุยังไม่แล้วยังไล่ออกจากวัดอีกต่างหากยังมาเหยียบวัดอีกนะยังซ้าทับอีกต่างหากเพราเหตุอะไรเราต้องมีเหตุมีผลจะตุปัจจัยที่ได้มาต้องได้มาโดยเป็นธรรมพูดที่เขาให้มาก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งเห็นทั้งหลายเห็น นั่งอยู่ต่อหน้าเลยจบแล้วจบอีกปรารถนาแล้วปรารถนาอีกปรารถนามรรคผลที่ผ่านสูงสุดของใ น, ในชีวิตของเขาในใจของเขาเพราะนั้นเราเป็นพระที่นําจิตปัจจัยของเขามาใช้ใต้องรอบคอบสรุปแล้วนะอันนี้คือเรื่องปจัปจจัย4ปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยแต่ใช้ผิดมันก็ผิดนะแต่ทุก โลกไม่ว่ายกไหนสมัยไหนเนี่ยมันแย่งกันในเรื่องปัจจัยสีนีมันไม่ได้แย่งกันเรื่องไปหานั่งสถานที่นั่งภาวนาการทำจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้หลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสจุดนั้นมันไปแย่งกันนะมันแย่งกันนี่แหละปัจจัยสีนี่แหละคนนั้นมีลาบกว่าคนนี้มียศกะว่าคนนั้นมีคนนับถือเลื่อมใสมากกว่าคนนั้นมีอเตเลกราบมากกว่า ของคนนั้นร่ำรวยมากกว่ า, าโดยมากคนนั้นมียศสูงกว่าโดยมากมันแย่งกันเพียงแค่นี้แหละแย่งขี้สรุปแล้วขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั่นแหลแย่งขี้กันเพราะนั้นพวกเรา เ, าเป็นพระพอประมาณพอแล้วให้รู้จักประมาณตนไปอยู่นสถานที่ใด อ, อย่าไปเน้นหนักเรื่องปัจจัยสี่จนเกินไป มีพออยู่พอกินพอใช้พอปฏิบัติธรรมแลพอจะอะไรอีกถ้ามันได้มาโดยเป็นธรรมก็ไม่ว่ากัน เ, เห็นไหมอย่างวัดของเราหลวงพ่ออินไปขอร้องเขาไหมที่มาเนี่ยไม่มีบัตรไม่มีใบเชิญเชิญอีกต่างหากไม่มีซองขาวแจกงานกระทินอีกต่างหากใครจะมาก็มา มาแล้วเ อ, อือจะทํายังไงได้ถ้าคนมามากแล้วก็ต้องตอนรับความสู้บอกกล่าวกันเออพี่น้องลูกหลานเอ้ ย, อยามาช่วยๆกันเนอ้อสู้เจ้าต้องมาเลี้ยงกันนะอันนี้เขาก็มาตามเห็นว่าเหมาะสมเพราะคนมันมากเขาก็อยากจะได้บุญกับคนอีกเขาก็มาช่วยกันตั้งโรงทานเนี่ยงานวันเกิดของหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้จัดงานวันเกิดนะลูกหลานนะพูดแต่ไหนแต่ไรมา แต่งานมาจัดหลวงพ่อต่างหากหลวงพ่อไม่ได้จัดงานนะแต่งานมาจัดหลวงพ่อเวลาแขก ค, คนมาทำอย่างไรหลวงพ่อเพิงต้องต้อนรับครับสู้กับผู้คนนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราได้ฟังได้ศึกษามาจากองค์หลวงตาสมัยท่านเป็นผู้ยังมีกําลังวังชากําลังแข็งแรงท่านจะพูดแบบเด็ดเดี่ยว พอต่อมาเมื่อท่านมีอายุมากขึ้นมาท่านก็ขี้เกียจพูดคนนั้นดึงไปงั้นคนนั่งดึงไปอย่างนี้เอี่ยพอในสุดท่านก็เอื้อไม่เท่นท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะท่านมากอายุมากแล้วนี่แหละหลวงพ่อเองเลยพิตกกังวลเหมือนกันไม่ว่าลูกศิษย์ของหลวงตาไม่ว่าลูกศิษย์หลวงหลวงพ่อถนะ้ารุ่นใหม่ใหมเนี่ยหลวงพ่อดูดาว่ากล่าวยังมันทะเลทรายอยู่ถ้าหลวงพ่อปล่อยปะแล้วเลยแก่กว่านี้ไปอีกนะ ่พวกนั้นก็นมาเห็นหลวงพ่อเมื่ออายุแก่ก็ยึดแนวแถวปฏิปทาเมื่ออายุของหลวงพ่อแก่ก็ทะเทลทลายไปเรื่อยแต่สมัยเมื่อหลวงพ่อยังหนุม่มเขาไม่เอาปฏิปทาไม่เอาปฏิปทาของหลวงพ่อสมัยยังหนุม่มนี่แหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาสมัยเมื่อท่านยังหนุม่มท่านปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยเกลียวปิจวาด เอาแนวปฏิปทาของท่านจัดอาหารบ่งแจกอาหารบ่งอยู่ในวัดอยู่ในความสงบแล้วก็มีพระเวรมีอะไรดูความเรียบร้อยบริเวณศาลาถ้าจะว่าไปเขาก็จะหาวันหลวงพ่ออินเรียนแบบหลงตาแต่ตามไม่จริงกว่าเรียนแบบจริงๆรนะิงท่านหลว ง, งพ่ออินไม่เรียนแบบหลงตาฉั้นมือเดียวหลวงพ่ออินชันห้ามือ้อ เออถ้าลงตาใช้ผ้าสีอย่างนี้หลวงพ่ออินใส่สีเขียว่ะเออลงตาทำอย่างนี้หลวงพ่ออินทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่เรียนแบบครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่มันดีเราก็ต้องเรียนแบบท่านอย่างที่ศาลาก็เหมือนกันเห็นไหมหลวงพ่ออินลงตาสร้างศาลาข้างนอกหลวงพ่ออินก็สร้างศาลาข้างนอกไม่สร้างได้ยังไงเพราะมันคนมันแน่นมันเต็ม ถ้าว่าคนอยู่ที่ศาราหลวงพ่อเถ้ามีงานขึ้นมาถ้าคนตื่นคนแตกคนอย่างที่ต่างประเทศเขาว่าเนคนมันตื่นมันจะไปทางไหนมันวิ่งออกไปทางทางประตูเข้ามาตรงเข้ามากันคนมันมากขนาดทำอะไรเยียบกันมายอคนไหนล้มเราก็คนนั้นก็เยียบต่อคนนั้นสู้ก็เลยตายกันเพื่อไม่มีทางออกไปถึงสะพานไม่รู้ทางออกโดดลงน้ําำ โดนลงน้าไม่ใช่น้ําตื่นๆลงไปอย่างดูก็ได้ น, ะน้ําท่วมหัวมิดนะี่น้ำเลยไม่ใช่ตื่นนะนะั่นน่ะตายอนะีกสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็คิดเพออาราะเหตุใดเพราหลวงพ่อเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของสถานที่อันไหนที่ปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมนะที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ต้องได้คิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกคิดนานกว่านี้แล้วเรื่องศาลาหลังนี้ แต่มันยังไม่มีจตุปัจจัยเพียงพอแต่คราวนี้ตัดสินใจแบบเอา้าทําค่อยเป็นค่อยไปกระเด็นเนี่ยกลายเป็นซาลาหลังนี้ขึ้นมาแต่จะว่าเรียนแบบลงตาไม่ใช่อแบบดูเสี้ยมวานพูดออกไหมเนี่ยคนที่จะตําหนี่คนที่จะตำนีแบบนำนเป็นยังไงเมืแ่อบบวานเนี่ยแต่วันเกิดหลวงพ่อกว่านี้อีกแบบที่ที่ผ่านๆมาเนีแ่บบนั่นแหละ มันคนมันแน่นถึงขนาดนั้นเราจะมาอยู่ข้างในไม่ได้หรอกมันต้องอ ย, อยู่อย่างนั้นแหละหมอะอันนี้แหละสรุปแล้วก็คือเราต้องมองมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำมองเหตุมองผลควรจะทําอย่างไรที่จะเหมาะสมจึงจะถูกต้องเค้ามาถูกต้อ ง, องคำนี้แหละจุดไหนที่จะถูกต้องไม่เกินไปไม่ใช่ลงตาทาอะไรตัวเองก็ขี้โอ เอเอหลวงตาพูดยังไงก็ทำเลยช้างขี่ขี่ตามช้างอา่อันนั้นอันนั้นไม่ถูกเราต้องรู้จักประมาณตนเหมือนกันสิ่งเหล่านะั้นจุดนั้นคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านทําตัวเองไปทํามันคืออะไรจุดนั้นสิ่งนี้เราต้องไปคิดอถ้าช้างขี่ขี่ตามช้างอันนั้นต้องไดปคิดอแต่ว่าเรียนแบบปฏิปทาของแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นะควรจะเรียนแบบ หลวงตาส็เรียนแบบพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพาปรงผมเออถ้าว่าปรงผมนะกลัวหนวดนะอคลองผ้ากาสาวพัดนะหลวงตาท่านก็ทําตามหลวงปู่มั่นก็ทําตามในเมื่อหลวงปู่มัน่นหลวงหลวงตาทําตามหลวงพ่ออินก็ต้องทําตามให้จะทํำยังไงแต่ว่าการพูดหลวงตาพูดเออใช่ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเรานะเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องระวัง สิ่งเหล่านั้นต้องระวัง อ, อ, อันนี้เป็นคำพูดของท่านซ้ำคำพูดของเราเออบอกพอใจพอใจนีเ่เราจะไปว่าพอใจอย่างหลวงตาไม่ได้เราหลีกเลี่ยงคำามือนเออขอโมทนาคณะสัตยาญาณโจร ม, มาถวบุญนะไม่ใช่ว่าจะเอาหลวงตาพูดยังไงจะเอาคำของหลวงตามาพูดเรียนแบบทุกอย่างมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเพรานะนั้นสิ่งไหนที่มัน ที่จะมันจะถูกต้องอย่างไหนที่มันจะเหมาะสมกับสถานะของเราเราก็จะต้องรู้สถานะของเราเพราสิ่งเหล่านี้ต้องดูมันต้องบอกการสถานที่ซะก่อนการเวลาซะก่อน เ, อเวลานี้เรายังมีพระอายุพรรษาน้อยเราจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาหมั่นไส้โอ้โหยังไม่เท่าไหรน่น้อเอาการเวลาเลยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ดู ผลในสูตก็นั่นนะหายข้ากีบเมฆไปรู้ว่ากี่องค์ตกกี่องค์เหมือนกันนะทำท่าพูด อ, ออกหน้าออกต า, าไม่ว่าใคราบางทีก็ทำท่าสอนคนพอสอนไปสอนมาหายเงียบไปนุ่งกางเกงไปชะแล้วมันก็มีมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเราต้องรู้จักการสถานที่การเวลาควรจะทำตนอย่างไร ถึงเราจะมั่นใจร้อยเกินร้อยแต่จุดนี้แต่ดูแล้วเรามองดูดตัวเองว่ามันยังไม่เหมาะสมที่จะเปิดที่จะพูดที่จะกระทำสิ่งนี้ออกไปเราก็ต้องเก็บ น, นี่แหะคือคนมีปัญญาทางโง่ล้วไม่ได้แล้วผ่ามไปเรื่อยน้ำลายภูมปากไปเรื่อยเหมือนหมาบ้านพอในสูกน่กนัเอาตัวไม่รอดถึงจะเอาตัวรอดไปถึงเป็นที่เยียดยามโ้ศาสนานี่ยไมโง่ถึงขนาดนี้ โอโหดถึงขนาดนี้เนี่เขาไม่ใช่ยกย่องสรรเสริญนะที่เขาจะรับเคารพนับถือเรื่มใสเขากลับดูถูกเกียดหยามอีกต่างหากเพราะอไรเพราะไม่รู้จักประมาณตนในการพูดในการดําเนินชีวิตของตนเองสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายนะทุกอ ง, ง น, นะให้รู้จักการสถานที่นะสถานะของตนเองนะสงควรจะพูดยังไงจะทํายังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะเก็บตนอย่างไรควรจะเปิดเผยตัวอ่เองอย่างไร เมื่อการนั้นเข้ามาถึงเมื่ออายุป่านนั้นมาถึงอย่างหลวงพ่อเหมือนกันสมัยก่อนหน้านี้หลวงตา ย, ยังอยู่หลวงพ่อก็แจกเอ็มพีสามบังนี่ทิดหน่อยประประปลายจากนั้นหลวงพ่อกับผูดธรรมะบงังแต่ขนาดนั้นเขาก็ยังดูถูกหลวงพ่อแต่ทางหลวงพ่อกับพรรษาก็ไม่ใช่น้อยเลยสามสี 3, 40, ่สิพรรษาแล้วเขายังดูถูกหลวงพ่อได้ เราเดี๋ยวนี้เราพูดอย่างเต็มที่มีอะไรที่สถานะของเราที่เราจะต้องพูดเราก็ต้องพูดแสดงความคิดเห็นเราปฏิบัติมาอย่างไรเราเรียนรู้มาอย่างไรเรามีประสบการณ์มาอย่างไรถ้าไม่พูดช่วงนี้เราจะพูดช่วงไหนสิ่งเหล่านี้มันต้องถึงข่าวที่จะลองพูดก็พูดแต่อีกไม่นานนะหลวงพ่อก็คงจะหยุดพูดเหมือนกันนะลูกหลานเนะี่ย เาหยุดพูดซะก่อนบเนี่ยเอารับพร